สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายจักรคนชอบเล่ากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรื่องที่ผมจะนํามาเล่าเป็นเรื่องของเพื่อนผมครับเพื่อนผมชื่อหนิงครับมีบ้านพักอยู่แถวไซน้อยเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายบ้านเขาอยู่ไกลจากสถานที่เรียนมากเขาจึงจําเป็นต้องมาพักกับน้าสาวเขาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวปากเกร็ด จ, จังหวัดนนทบุรีครับ เพราะโรงเรียนของเขาอยู่ใกล้ๆกับถนนแจ้งวัฒนะถ้าหากเขาจะเดินทางจากไทรน้อยมาเรียนเนี่ยมันจะละบากมากตอนแรกๆเขาก็คิดว่าหอพักในโรงพยาบาลของน้าสาวเนี่ยมันจะต้องมีบรรยากาศที่หลอนวังเวงวิเวกดูไม่น่าจะอยู่เป็นสุขได้เลยเพราะโดยปกติแล้วในโรงพยาบาลมันจะมีเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่ติดตัวกันอยู่ทุกรงพยาบาล ไหนจะห้องดับจิตไหนจะคนป่วยไหนจะมีการตายหลายรูปแบบโอ้ยยิ่งคิดและยิ่งสยองอดไม่ได้จริงๆที่จะไม่คิดถึงเรื่องผีผีสางๆแต่มันจำเป็นก็ได้แต่คิดว่าตัวเองคงไม่มีทางโชคร้ายอย่างนั้นหรอกหลังจากได้เข้ามาอยู่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรให้หน่าตื่นเต้นหรือเสียใจอย่างที่คิดตอนแรกก็อยู่เป็นปกติดีไม่มีเหตุการณ์อะไรให้หลอนหรือน่ากลัวก็พอให้สบายใจได้ จนกระทั่งเน่งบอกว่าประมาณเดือนที่2มีข่าวการตายของญาติขอ ง, ของนา้าก็คือญาติของสามีนา้าเรียกว่าน้าเขยประสบอุบัติเหตุตายทางฝ่ายน้ากับน้าเขยก็จึงต้องรีบเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อไปร่วมพิธีงานศพเลยปล่อยให้เน่งเนี่ยนอนเฝ้าห้องอยู่คนเดียวซึ่งความจริงนนเน่งก็บอกว่าไม่ได้อยากจะนอนเฝ้าห้องเลยคืออยากจะเดินทางไปด้วยเพราะด้วยตนเองเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้ว นอนคนเดียวมันก็ดูยังไงอยู่นะแต่ก็จําเป็นนะเพราะว่าไม่สามารถจะราโรงเรียนเพื่อไปร่วมงานศพครั้งนี้ได้ตอนนั้นก็ใกล้จะสอบแล้วตัวของเหน่งเองบอกว่าญาติคณที่เสียชีวิตนี้เหน่งก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าค่าตาไม่รู้ด้วยว่าเป็นยังไงแต่คืนนั้นแหละคืนที่ญาติได้เดินทางไปนะครสวรรค์กันนั่นแหละทําให้เหน่งได้รู้เลยว่าญาติคนที่เสียนะ่ยหน้าตาเป็นยังไงเหน่งบอกว่าคืนนั้นประมาณสี่ทุ่ม หลังจากที่อาบน้ําแบบท่าปิดประตูห้องอย่างดีปิดไฟนอนดูทีวีให้เป็นเพื่อนเพราะว่ากลัวผีอยู่แล้วเป็นทุนระหว่างที่ดูทีวีก็อ ย, อยังได้ยินเสียงห้องข้างๆเปิดเพลงเปิดทีวีฟังอยู่บ้างพอเป็นเพื่อนกันไปได้ก็พอให้อุ่นใจแต่สักพักหนึ่งเสียงห้องข้างๆก็เงียบไปกไ็ได้คิดว่าอืมสงสัยเขาคงจะรีบนอนเพราะว่าผู้นี้เขาต้องเข้าเวรเข้ากะกันแต่เช้ามืดเดี๋ยวก็จะนอนดีกว่า ก็ยังคงดูทีวีต่อไปเรื่อยๆระหว่างนั้นมีเสียงแปลกๆดังเล็ดลอดเข้ามาจากระยะไกลๆเสียงคล้ายๆกับผู้หญิงร้องไห้ไกลๆสือึกนสือื้นก็เลยลองเงี้ยหูฟังหลีเสียงของทีวีลงแล้วเงี่ยหูฟังก็จับใจความได้ว่าเป็นเสียงของผู้หญิงร้องไห้ทีนี้พอฟังแล้วก็รู้สึกว่าอืเสียงใครนั่มาร้องไห้อยู่ไกลๆ ระหว่างที่คิดอยู่นั่นแหละรู้สึกได้อีกทีว่าเสียงมันดังเข้ามาใกล้ๆมันดังเข้ามาใกล้ๆเหมือนว่าอยู่จากนอกหอและเข้ามาข้างในหอแล้วตรงทางเดินความรู้สึกแปลกๆมันก็เกิดขึ้นรู้สึกเย็นๆหนาวๆหัวใจก็เริ่มเต้นแปลกๆไม่ค่อยเป็นจังหวะแต่ก็ข่มใจอยู่ว่าคงจะมีห้องไหนทะเลาะ ก, กันแน่ๆเลยออกมาเดินอ้งห้ยอย่างนี้ก็พยายามข่มใจให้นิ่งไว แต่มันจะนิ่งไม่ไหวเพราะว่าเสียงค่อยๆดังเข้ามาใกล้ๆดังเข้ามาใกล้ๆจนสุดท้ายมาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องหัวใจตอนนี้เหมือนอยากจะหยุดเต้นเหงื่อออกมือรู้สึกบรรยากาศ ร, รอบข้างมันหนาวไปหมดเสียงห้องคลางค้าก็เงียบกริบเสียงทีวีก็ดันไม่เงียบไปหมดด้วยมันทําให้รู้สึกว่าทั้งหอนี้มีห้องหนึ่งอยู่เพียงห้องเดียวที่ยังมีคนอยู่มันวังเวงและเงียบผิดปกติมากเลย และก็ต้องมาสะดุ้งสุดตัวอีกทีหนึง่งตรงที่เสียน้องให้ตอนนี้มันดังอยู่ข้างเตียงตึ่งดังติดหูของเน่งเลยเน่งเลยตกใจกลัวมากได้แต่หลับตาปี๋ไม่กล้าลืมตามือไม้แข็งชื่อขยับตัวไม่ได้เหงื่อออกตามมือรู้สึกได้เลยว่าเสื้อผ้าเริ่มเปียกระหว่างที่คิดอยู่นั้นก็พยายามคิดถึงมนุ์บวชสวดต่างๆแต่คิดไม่ออกได้สักบทสวดเดียวได้แต่นอนหายใจฟืดๆทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงดี แล้วก็มีสิ่งอะไรไม่รู้มาดนใจให้ต้องลืมตาดูไปตรงปลายเทา้าพอลืมตาหลีตาดูเท่ น, นั้นแหละก็ตกใจสุดขีดเพราะว่าตรงปลายเทา้ามีร่างร่างหนึ่งยืนอยู่โอ้ยหัวใจแทบจะหยุดเต้นทําอะไรไม่ถูกจะพูดจะร้องจะโวยวายก็ไม่ได้ทั้งสิ้นได้แต่จ้องร่างนั้นก็ยืนอยู่เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้หญิงท้องแก่ก้มหน้าร้องไห้หมือข้างหนึ่งก็ลูบท้องตัวเองไปมาเสียงร้องไห้ก็โหยหวน อยากจะบ้าตายในความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกอย่างเดียวว่าทํำยังไงดีเนี่ยทายังไงดีคิดอะไรคิดไม่ออกเลยจนสุดท้ายมีความรู้สึกมันตื้อขึ้นหัวสมองเหมือนอยากจะสลบหรือจะหลับไปแล้วจะน็อกจะช็อกร่างนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นมาสบตาของเหน่งเหน่งเห็นหน้าจนจนําได้จนถึงทุกวันนี้เลยถึงใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นดวงตาเศร้าหมองร้องไห้ยฟูมฟายดวงตาก็จ้องมาที่หน้าของเหน่ง หนึรู้สึกได้เลยว่าคนที่โดนผีหลอกเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นี่เองฉีจะแตกอาการขยับตัวก็ไม่ได้เกรงไปหมดหายใจติดขัดแต่ก่อนที่จะหมดแรงหรือว่าหมดสติลงไปนั้นร่าง น, นั้นก็ค่อยๆจางเลือนลางไปเมื่อจางเลือนลางไปอาการเกรงทุกอย่างมันก็ค่อยๆหายไปทําให้หนึ่งขยับตัวได้หายใจโล่งยาวได้เหมือนเดิมหนึ่งรีบลุกขึ้นจากเตียงกระโดดไปที่ประตูที่ล็อกอย่างแน่นหนาเปิดประตูอย่างรวดเร็วมาก แล้วไปที่ห้องข้างไปเคาะประตูอย่างดังนะาน้าน้น้ น, น, น้ช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับห้องก้างๆนี้ก็เป็นห้องรู้จักกับน้าสาวของเด็งอย่างดีเขาจะเปิดประตูออกมาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเด็งก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังเขารีบดึงตัวเด็งเข้าไปในห้องและบอกว่านอนกับเขาแล้วกันเพราะตัวเขาก็เป็นคนที่กลัวผีเอามากๆเหมือนกันสรุปคืนนั้นเด็งเลยบอกว่าโชคดีที่น้าคนนั้นเปิดประตูมารับให้เข้าไปนอนด้วยวันต่อมาตอนเย็น เน่งเลิกเรียนกลับมาก็เจอกับน้าสาวซึ่งกลับมาจากงานศพจังหวัดนครสวรรค์เน่งก็เลยรีบเล่าเรื่องต่างๆให้น้าสาวฟังน้าสาวกว่าน้าเขยฟังก็บอกว่าน่าสงสารจริงๆสงสัยวิญญาณคงจะยังไม่รู้ตัวว่าตายดวงจิตแล่มุ่งมานี่ก็เลยไม่รู้ว่าเราไปร่วมงานศพของเธอแล้วเน่งได้ฟังเน่งรู้สึกเลยว่าอ๋อที่เห็นน่ะคือญาติของน้าเขยนี่เองอุ้ย และยังจําหน้าเขาได้ติดตาจนถึงทุกวันนี้เลยเหน่งบอกเลยว่าโอ้โหการโดนผีหลอกครั้งนั้นทําให้ทุกวันเนี้ยก่อนนอนก็จะพยายามสวดมนต์และแผ่เมตตาเพื่อป้องกันตัวเองจากเรื่องนี้เลยครับนี่ก็คือเรื่องเล่าจากเหน่งเพื่อนผมหลายคนอาจจะคิดว่าผีไม่มีจริงผีไม่มีในโลกเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยพบเคยเจอเคยแต่ได้ยินเรื่องราวที่เขาเล่ากันมาแต่เชื่อเถอะครับ ผมมีความเชื่อว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็มีจริงครับเหมือนกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรามองไม่เห็นเรายังสามารถสื่อสารกันได้เลยเรื่องพวกนี้ผมว่ามันเกี่ยวกับความถี่ครับที่จะมาจูนเจอกันได้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมไปหาเรื่องเล่ามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ